วันที่ยี่สิบแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบปกติยี่สิบมีนาไปจนสิ้นมีนาขึ้นมาาเมษานีร้อนไปจนถึงสงกรานนะั้นเมื่อก่อนฤดูการบ้านเมืองเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเขาบอกยี่สิบช่วงปลายมีนาไปเนี่ยแหละบอกว่าแกนโลก มันตั้งฉากความร้อนกับดวงอาทิตย์ร้อนนะตามที่เราเคยดูนะไปจดถึงเมษานะั่นร้อนจนเล่นต้งกล้าหน้าร้อนรี่ก็ร้อนน่มีนาร้อนแล้วฝนก็แล้งไม่ตกมายาวไม่ตกมาระยะ ย, ยาวนานหลายเดือนนั่นเองพื้นดินไม่พอจะชุ่มช่ำอะไรยาเยอะอะไรจะขึ้นก็ไม่มีตายหมดเกลี้ยงหมด ต้นไมน้ในวัดตายหมดต้นมะไฟต้นลำดว น, นตายเกือบหมดร้อ น, น, นมีนาเมื่อวานกบันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสี่แล้วเมื่อวานขึ้นแปดค่ำเดือนสี่ วันนี้ก็ขึ้นเก้าคำใช่ไหมเดือนสี่เดือนสี่ออกกลางเดือนสี่กลางเดือนสี่เนี่ยก็ขึ้นสิบห้าคำเดือนสี่เนี่ยเป็นกลางเดือนสี่หมดอนนีิสงกถินตั้งแต่ออกพรรษามาจนถึงวัน กลางเดือนสีนี่เป็นระยะเวลาสี่เดือนเป็นเดือนฤดูหนาวเป็นฤดูเป็นฤดูหนาวสิ้นฤดูหนาวฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวฤดูหนาวกลางเดือนสี่เนี่ยสิ้นกลางเดือนสีนี่อันนี้สมปถินส่งมากลางเดือนสี่ อ น, นิสงส์กฐินห้าอย่างอ น, นิสงส์ภาษาอ น, นิสงส์กฐินห้าอย่างนั่นแหละพวกเราวัดป่ารูปายอาจารย์ท่านไม่ให้ถืออ น, นิสงส์กฐินก็ตามคือท่านให้ถือแคลงตลอดอไปไหนไม่ต้องบอกลาตามสี่ขาบทที่หกแห่งอาเจยนและกระวะั นี่อันนี้สงข้อหนึ่งไปไหนไม่ต้องถือเอาใจเยวน์ไปครอบสำหรับมีอันนี้สงพรรษานีสงกถินช่วยฉันคณะโพธปรังพระโพธได้เก็บอตัตเรกจีวรได้ตามต้องการจีวรที่เกิดขึ้นในที่นั้นๆเป็นของได้แก่พวกเธอ5ห้า ย, ยาวนี่เกี่ยวข้องกับ สิขาบทในวินัยนะช่วยอำนวยความสะดวกในการถือปฏิบัติของพระเราไปไหนไม่ต้องบอกลาตามสิกขาบทที่หกแห่งอเจละกะวักในสิขาบทนี้ท่านบอกว่าภิกษุรับจะไปฉันในบ้านอาเจลักกวักไปจจตีกันไปดู สีขาบทที่หกแห่งไอเจลักกวักปาจิจิตีกันภิกษุไม่ต้องไปไหนไม่ต้องบอกลามีเงื่อนไขตามสีขาบทที่หกแห่งไอเจลักกวักไม่ใช่ว่ออกภรษาแล้วใครอยากไปไหนก็ไปโดยไม่ต้องบอกไม่ต้องลาผู้ที่เป็นหัวหน้าอยู่ในที่นั้นๆผิดธรรมเนียมผิดธรรมเนียมของสงผิดมารยาทของสง ใครถือแบบนั้นถือผิดเขาว่าไม่ต้องบอกลาตามสิขาบทที่หกตามอันิีสองภาษาอันิงีงสอกถินนั้นหมายความว่าภิกษุรับจะไปฉันในในบ้านท่านไม่ได้หมายถึงว่ารับสี่องห้าองค์หรือกี่องค์ก็แล้วแต่เวลาจะไปฉันในบ้านจะต้องบอกภิกษุที่อยู่ในวัด อ่าวผมวันนี้ผมไปฉันใ้บ้านนะนี่หมายว่าไม่ได้รับอ น, นิสงส์ปัญษานิสงส์กฐิ น, นไปต้องบอกต้องลาแต่พอได้อั น, นิรพบรับอ น, นิสงส์ปัญษานิสงส์กฐินแล้วไปไม่ต้องบอกลาท่านก็ไม่ปรับอบัติอบัตไปยตินะอบัตตไปยติอันนี้มันนอกเหนือไปจากที่เราไปไหนไม่บอกลาครูบาอาจารย์เนี่ย มันนอกเหนือไปจากข้อนี้นะอย่าไปเข้าใจผิดอย่าไปเข้าใจดือ้อแล้วก็ทำลายความเสียหายความประพฤติของตัวเองอยู่ร่ำไปอย่าคิดอย่าทำแบบนั้นเรามาตรงนี้เราพยายามทำตัวให้ตรงให้องอาจสักกกสกก อ, อุชุจัสุหุชุจะ เป็นผู้ตรงเป็นผู้องค์อาจเป็นผู้สัตว์เป็นผู้ซื้อไปต้องบอกเนี่ยอานิสงส์ถ้าไม่ได้อ่านอาิสงส์ไปก่อนไปฉันต้องบอกไปฉันในบ้านกลับมาแล้วก็ต้องบอกบอกพิสุที่อยู่ในวัด นี่หมายถึงสีขา บ, บทนั่นนะไปอ่านดูอันนี้สองภาษาในสองก็ทินช่วยบางคนก็คิดอย่างนี้แหละเอ้ยออกภาษาแล้วไปไหนไม่ต้องบอกลาไปไหนไม่ต้องบอกลามันเข้าใจผิดเข้าใจเห็นแก่ตัวเข้าใจแบบนี้เข้าใจเห็นแก่ตัวเข้าใจผิดถ้าถือแบบนี้ไปไปบอกไปสอนคนอื่นผิดอีกเป็นสัตย์รมปฏิรูปไปเรื่อย มันเริ่มผิดตั้งแต่ข้องข้อง่ายๆอย่างนี้แหละข้อยับยับอย่างนี้แหละไอ้ที่มันละเอียดลึกเข้าไปอีกันก็จะเริ่มผิดไปเรื่อยจะเริ่มผิดไปเรื่อยกับนิสัยที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเราจะแก้หรือเราจะไม่แก้เราจะบืนบืนหน้าตะพุทธเถือไม่ยอมฟังคำบอกคำสอนของพระพุทธเจ้ามันนี้มีคำสอนของไขรเหนือกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแหละ คำสอนของพญามารไปฟังที่คำสอนของพญามารนะพญามารกิเลสมาห์ไปฟังดูคำสอนมันนี่ให้โลภใครมาขัดขวางเรื่องการโลภของข้าพเจ้าโกรธฆ่าแกงอาฆาตพยาบาทกําจัดให้พ้นเส้นทางเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้เดินสะดวกนั่นเส้นทางพญามาร พระสิจา่าเมตตากรุณาพุทิตา อ, อุเบขาเราต้องการเส้นทางพยามานจะให้มันชนะพุทธเจ้าไม่มีโอกาสชนะแล้วดูทวสวัสดีมานอ่ะสวรรค์หกชั้น่ะเทวดาทุกชั้นทุกภูมิกลัวหมดกลัวพยามานหมดแต่ไปขวางพุทธเจ้าไม่ได้ฮะขวางพุทธเจ้าไม่ได้นายสุดยอมแล้วยอมแพ้สี ร, ราบแล้ว ตั้งตนปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านะตามค้พระพุทธเจ้าเห็นไหมต้องตามค้อพระพุทธเจ้าในที่สุดทำไมพระพุทธเจ้าึท่านจึงทรงมีอนุภาพมากเพราะท่านสร้างบา ร, รมีบา ร, รมีต้องสร้างต้องอดต้องกลั่นดูที่ขันติทานเมตต า, าทานศีลทานทานศีลเนคขมะ ปัญญาวิริยะขันติอะไรเนี่ยทานบารมีศีลบารมีอ่าทานศิทานบารมีศีลบารมีอะไรเนคขมะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีอะไรนะสิบอย่างไปไล่ดูทานบารมีทั้งหมดพระเจ้าทำ ทำมาจนสุดเดี่ยวสุดแรง ส, สุดไม่มีใครทําได้ยิ่งกว่าพระองค์เห็นไหมดูแต่ทานบารมีอย่างเดียวนะทานบารมีมีขั้นพื้นๆธรรมดาซึ่งสัตว์โลกทั่วๆไปก็ทําได้ง่ายๆขั้นขั้นกลางๆเข้าไปอีกอุปบารมีทานอุปบารมีอันนี้สามารถให้อวัยวะตัวเองเป็นฐานได้คนอื่นตายวายอย่างเงี้ยจะตายอยู่แล้วเสียสละตายให้ข้างหนึ่ง เขาเรียกว่าสละอวัยวะเปลี่ยนฐานเราเหลือข้างหนึ่งนี่ร่างกายเป็นอยู่ได้นะอีกคนหนึ่งเขาวายไตายวายทั้งสองปกติไตของคนเนี่ยเราก็ได้ยินเข้าว่านะถ้าถ้าเหลือข้างหนึ่งมันยังทํางานได้อเหลือข้างหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นตมันก็ยังทํางานได้แต่ถ้าเหลือต่ําลงมากกว่านั้นสิบยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยทำงานไม่ได้แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นข้างหนึ่งนะ ไตมันแข่งถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไตาวายหมายความว่าวันวายทั้งสองวายทั้งสองต้องฟอกไตนี่เขาบอกว่าบางคนเนี่ยสละให้นะเสียสละให้บางคนเสียสละให้น้องชายเสียสละให้ใครน้องอาจารย์อาจารย์อะไรอยู่ตรงนูโน้นว่า น, น้องน้องชายเสียสละไตให้ข้างหนึ่งท่านก็อยู่ได้มาหลายปีอยู่ เสียสละก็คือคนดีๆนั่นแหละผ่าตัดเอาไตาข้างหนึ่งไปบริจาคให้กับอีกคนคนหนึ่งให้ก็อยู่ได้หลายปีอยู่ได้อยู่ไปได้หลายปีนี่เขาเรียกว่าทานอุปบารมีเสียสละอวัยวะเป็นทานเสียสละอวัยวะเป็นทานอันนี้ทานแบบสดๆร้อนๆเลยหรือเราจะคิดว่าเรามอบร่างกายของเราให้เป็นศพแก่โรงพยาบาลตายแล้วอันนี้มันก็เข้าเข้าเข้า ข้างๆทานอุปบารามีเหมือนกันนะแต่หมายว่าเราตายแล้วอันนี้ยังเห็นสดๆร้อนๆต่อหน้าต่อ ต, อตานเนี่ยตัดเอาไตของเราไปใส่ให้กับพี่ชายเงี้ยเนี่ยดูเราดูที่ผลอันนี้สองอุปบารามีนะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยปรมัภะบารามีเสียสละชีวิตนั่นเพราะฉะนั้นทานอย่างเดียวเราดูที่ทานพื้นๆทานบารามีทานอุปบารามีทานปรมัภะบารามีปรมัภะประมัภะ แปลว่าละเอียดลึกซึ้งสุขมลึกซึ้งอ่สูงสุดประมะติประมะประ ม, ะ, ร ะ, มะบรมบรมแปลว่าสูงสุดประมะประมัตบรมบรมสูงสุดเป็นฐานที่สูงสุดเพราะฉะนั้นพระอง์จึงมีบารมีพญ า, ามารไม่ได้เสียสละถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นบารมีถึงไม่ถึงพระพุทธเจา้านี่แค่ทานบารมี เสียสละชีวิตเรางก็เคยเสียสละดูแต่คําพูดเปรียบเทียบท่านบอกว่าแม้แต่ศีรษะที่เราประดับด้วยเครื่องอลังการเนี่ยเราเสียสละศีรษะมามากมากมายกว่าเขาชินเนรุราชดวงตาที่เราเสียสละมากกว่าดาวในท้องฟ้าบนท้องฟ้าเป็นคําพูดเปรียบเทียบนี่คือการสร้างบารมีเสียสละเพื่ออะไร ต้องการบรรลุธรรมต้องการจะรู้ธรรมคำว่ารู้ธรรมบรรลุธรรมก็คือรู้ถึงหลักสักจจะที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อหลุดเพื่อพ้นไปจากเครื่องผูกพันให้อยู่ในวัฏฐสงสารที่เป็นเหตุให้ได้เราเราจะได้มาทนมาทุกข ม, มาทรมานอยู่เนี่ยเพื่อพ้นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ขนสัตว์ทั้งหลายพ้นไปจากกองทุกขกองกันดานจากวัฏะสงสารอันนี้ นี่คือพระพุทธเจ้าทานบารมีศีลบารมีนะทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยบารมีทั้งสิบอย่างเนี่ยพระองค์สร้างสร้างไม่มีใครสร้างยิ่งกว่าพระองค์คำว่าบารมีปาระปาระปารคูปรคูปรคปแปลว่า ฝั่งฝั่งคำว่าฝั่งหมายความว่าฝั่งโน้นฝั่งคือฟากฟั่งพ้นจากกองทุกพ้นบารมีสิ่งเอื้ออํานวยให้ข้ามพ้นจากแหล่งแก่งกันดานความทุกข์ในวัฏสงสารที่เขาเรียกว่าบารมีบารมีพาให้ถึงฝั่งประตูฝั่งฝั่งหมายถึงฝั่งโน้นฝั่งพ้นทุกพ้นเกิดพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายพ้นวัฏะ เป็นวิวัตตะพ้นวัตตะสงสารวตตะสงสารก็คือเกิดแก่เจ็บตายคือแก่เจ็บตายวัตตะสงสารเกิดแก่เจ็บตายตาเกิดแก่เจ็บตายนั่นวัตตะสงสารถ้าเราไม่ฟังคําสอนของพุทธเจ้าก็แสดงว่าเรายังจะต้องเดินตามคําสอนของพญามาอยู่นั่นแหละพญา ม, มาอยู่ในหวัวใจ ข, ของเรานั่นแหละมันไม่อยู่ที่ไหน ถึงแม้ว่าเราตั้งใจทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็าตามด้วยส่วนหนึ่งที่ยังเป็นคำสอนของพญา ม, มากรกระซิก็ะซาบพญา ม, มารในใจเรารู้ไหมคืออะไรกิเลสสมา ร, รู้จักไหมกิเลสสมานมันแผลงฤทิิออกมาโลภโกรธหลงหลงโลภหลงโกรธถ้าไม่หลงมันก็ไม่โกรธถ้าไม่หลงมันก็ไม่โลภ คขามันหลงก็คือความไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกไม่ใคร่ครวญไม่ไตรตรองตามความอยากในใจของตัวเองเ่เต็มร้อยไม่มีความวินิจฉัย ใ, ใคร่ครวนว่าผิดชอบชั่วดีนี่จะเรียกว่าหลงคือไม่รู้สึกตัวหลงหลงตั้งแต่ทั้งๆที่ยืนเดินนั่งนอนลืมตาอาปากนี่แหละหลงหลงไปตามนักแห่ของกิเลสหลงโลกอืมถ้าเป็นไปนตามธรรม ปัจจัยสีได้มาพอประหารพออยู่พอกินพอเป็นพอไปแต่ถ้าได้มาในทางที่ชอบทำใได้มาเท่าไหร่ทั้งว่ า, วามไม่เป็นโทษแต่บางทีก็ไปเอามาในทางที่ไม่ชอบทำได้มาในทางที่ไม่ชอบทำก็เป็นเหตุเบียดเบียน er คนอื่นเบียดเบียน er สัตว์อื่นเบียดเบียน er ตัวเองด้วยคือความเบียดเบียน er นี่แหละมันจึงไม่เป็นธรรมด้วยความไม่เป็นธรรมนี่แหละ มันเป็นการมีส่วนเกี่ยวข้องกับพยามาลกิเลสสมาเนี่ยแหละมันกระซิบกระซาบรอบอารมณอารมณ์อามมีคนนั้นดูท่าทีจะมาขัดขวางเราแล้วเอายี่รีไปวางแผนตัดหน้าเขาวางแผนสกัดเอาไว้รวบมาเอาให้หมดได้ร้อยแล้วเ ร, เราจะเอาพันได้พันแล้วเราจะเอาหมื่นได้หมื่นแล้วเราจะเอาแสน พันหมื่นแสนล้านนะนะใดแล้วเราจะเอาประเทศทั้งประเทศถ้าเราพอจะซื้อโลกได้เราจะซื้อโลกทั้งโลกกี่โลกเราจะตะล่อมซื้อไว้หมดนั่นคือความโลภมันเคยมีเมืองพอเที่ไหนแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมนี่นคือความจําเป็นตัวเราก็จำเป็นเอามาแค่จำเป็นแต่สิ่งที่นอกเหนือจําเป็นแต่หากมาในทางที่ชอบ ที่ท่านบอกท่านบอกว่าสันโดดฉันโดดฉันตุถีมันได้ตามดีได้ตามสติได้ตามกำลังได้ตามเรี่ยวแรงของตัวเองไม่เบียดเบียนใครอันนี้ได้มาเท่าไหร่เรายินดีเราพอใจในสิ่งที่เราได้มาอันนี้ไม่ผิดธรรมมักน้อยสันโดดสันโดดคือยินดีในผลงานที่เราได้มาในทางที่ถูกต้องด้วยศีลด้วยทางไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่โกง อไม่รีดไม่ไถไม่ตัดไม่รอนอันนี้ได้มาเท่าไหรไม่เป็นโทษคือไม่เป็นโทษกับคนอื่นคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเราเองก็ไม่เดือดร้อนหรเมื่อเราทําถูกหนทางบางอย่างมันก็หลังหลังมาไหลายมาอย่างนั้นจริงๆมันมีบุญช่วยมันหลังมาหลายมาแบบนั้นจริงๆเก็บมากเท่าไหรไม่เป็นโทษแต่ใช้ให้เกิดประโยชน์เอาไปจ้างเอาไปวานเพื่อไปข่าไปแกงไปตัดไปรอนไปอะไร เกิดโทษอีกเอาทรัพย์มาสังหารตัวเองนี่แบบนี้มันกระสิบกระราบี่เหลสมันกระสิบกระราบมาเท่านั้นมันไม่ใช่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่คือความโลกหลงเพราะหลงเราถึงโลกพอโลกไปแล้วมีคนมาขัดขวางโกรธขัดเคืองขึ้นมาตัดรอนถึงกับ ปองร้ายพยาบาทปองร้ายจัดการเก็บรเราพูดง่ายๆนี่คือเส้นเส้นสายของพยามารกิเลสสมานมันอยู่ข้างหลังนั่นนะมันจับหางอยู่นั่นะกิเลสสมานมันก็สร้างอยู่อย่างนี้แหล ะ, ะมันคิดว่าได้มากเท่าไหร่มันก็มีความสุขไปเท่านั้นได้มากเท่าไหร่ก็มีความสุขไปเท่านั้นความทุกข์เหมือนไฟเหมือนเปลวไฟแลบอยู่ในหัวใจมันไม่เคยย้อนไปดูไม่เคยเห็น มันไม่เห็นเพราะมันไม่เคยย้อนไปดูเห็นว่าทุกทุกทุกก็หาเรื่องหาเรื่องดักหน้าแก้ความทุกข์อยู่รําไปอืหาเรื่องดักหน้าแก้ความทุกข์อยู่รําไปไม่เคยย้อนไปดูสาเหตุที่มันมันก่อให้เกิดทุกข์นี่คือพยามารฝักไฟพยามารมันยุบเย็ในหัวใจของเรามารมีอยู่ในหัวใจของเรามันไม่มีอยู่ในที่อื่น เราพยายามปฏิบัติเพื่อให้รู้เท่าทันกลนนบายของมาร น, นี่แหละจึงเป็นหน้าที่ของเราผู้เสียสละบ้านช่องมาอยู่เพื่อฝึกฝนอบรมตัวเองเพื่อรู้ช่องทางให้รู้เส้นทางของพญามารถ้าเราไม่รู้ดย เ, เหตุที่เราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาธรรมวินัยอัดธรรมของพระพุทธเจ้า เราก็ม่ได้รู้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่อะไรไปเลยทําตามสัญชาตญาณที่แรกสัญชาตญาณมันก็กระสิบประซาบกระ ส, บสิบประซาทอย่างนี้เราก็ทําไปกระสิปกระซาบอย่างนั้นมันก็ทําไปอ่าสัญชาตญาณเกิดขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วกิเลสมันก็มาสวมรอยกิเลสพอกิเลสมาก็มาสวมรอยเ อ, ออันนั้นได้เอออนนี้ได้เอออย่างงั้นดีเออนี่โอ้เราคิดได้ดีแต่ก็ลืมไปอคิดว่าเราดีคิดดีคิดว่าเราฉลาด จะลืมไปอืแล้วได้อย่างนั้นโอแต่เราหาตัดร้อนคนนั้นอย่างนั้นหาตัดร้อนคนนี้อย่างนี้เลยลืมไปลืมไปว่าให้ทุกให้โทษกั er, บ, บคนอื่นเแบียดเบียนคนอื่นเแบบบียดเบียนสัตว์อื่นเนี่ยท่านท่านจิงว่าหลงโลภหลงโกรธหลงโลภโลภโกรธราคะตันหาก็คือความโลภนั่นแหละคืออะไรดูที่ดูไปที่ราคะทันหาคืออะไรราคะคือความกำหนัด ก็คือความอยากความต้องการนั่นแหละตัณหาคืออะไรคือความอยากราคะคือความกำหนัดกายกำหนัดจิตกำหนับเราดูไปดิ้กายกำหนัดเป็นยังไงเราดูจิตกำหนัดเป็นยังไงความชอบใจความพอใจความต้องการของจิตกายกำหนังเป็นยังไงราคะตัณหากายกำหนัดจิตกำหนับมันกำหนัดด้วยกระแสของความอยากนั้นน่ะ ความอยากความต้องการความอยากความความต้องการคืออะไรความอยากความต้องการก็คือความโลภนั่นแหละมันโลภอยากได้เห็นไหมพอจิตมันโลภแล้โลภมันปรับใจซะจนในที่สุดเร ah าต้องเอพอตันหามันกระิบกระซาบมาปับ๊บอุ ป, ป า, ท า, า, า, าทานมายึดตันหากระิบกระซาบมาทุกถ้อยทุกคําทุกกระทงอุ ป, ปาทานมันก็ยึ ด, ย ด, ย ด, ย ด, ยด สถานะของจิตของคนคนนั้นมันก็จะเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนนั่งอยู่นี่แหละนั่งภาวนาเ น, นี่ยแหละนั่งเนื้อเพราะมันเปลี่ยนสถานะหนักๆเข้ามามาเข้าลูกเดินไปสนองต่อความต้องการของมันไปอะไรละ่ะหิวอะไระคิดถึงของเปรี้ยวๆเวนื้อนื้อปลาโอเยอมเต็มปากเฮ้ยน้ำลายน้ำย่อย น้ำาอย่าเงเยอมเต็มปากเห็นไหมความอยากนึกมากเท่าไหร่คิดมากเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องความโลภมันไปจากความโลภทั้งหมดเนี่ยราคะตัณหาดูไปที่ใจของเราเราจะเห็นตัณหาคืออะไรเราไม่ต้องไปคิดไม่แปลคาว่าตัณหาแปลว่าความอยากเราดูความอยากดูให้ออกความอยากของกายของเราความอยากของใจของเราความอยาก ของร่างกายร่างกายบกพร่องต้องการอาหารอันนี้เป็นหลักธรรมชาติเพราะมันแต่ถ้าเป็นความอยากของราคะคือความกวาหนักทางกายความกวาหนักทางใจความกวาหนักทางกายมันก็มาจากใจแต่เป็นเรื่องของกิเลสมันก็ซิบกระซาบที่ใจแล้วก็มันก็เยิ้มมาที่กายมันก็เยิ้มมาที่กายแต่ถ้ามันเป็นมาตามเส้นสายของมัน เหตุแห่งตัณหาราคะมันกระซิบกระซาบมาจากใจอันนั้นส่วนมากเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่ถ้าหากมันไปจากกายมันไปจากกายเนี่ยมันไปจากกายเพราะร่างกายมันคึกขนองโดยหลักธรรมชาติของมันมันก็เป็นพอร่างกายคึกคลองโดยหลักคึกขนองโดยหลักธรรมชาติของมันตามที่มันเป็นพอจิตเริ่มรู้สึกเข้าจิตมันก็จับ อันนี้คือกลายเป็นเหตุจิตมันก็จับไปมันก็ปรุงแต่งเอาตันหาราคะมาปรุงเสริมเขก็ไปเสริมก็ไปเสริมก็ไปเสริมก็ไปเรื่อยเราก็หลงปรุงหลงเสริมเข้าไปหลงปรุงราคะหลงปรุงหลงเสริมราคะราคะคือความกำนัดความยินดีกำลังทางกายกำลังทางใจท่านเรียกว่าราคะเรียกว่าความกำนัดมันแปลได้ตั้งแต่ความอยากสยวนห ย, ยาบ ไปจนถึงความอยากส่วนละเอียดในใจของเราเราดูเราดูเราจะเห็นดูไปที่ความอยากนั่นแหละตัวราคาเนี่ยตัวความอยากตัวราคะตัวความอยากตัวนี้แหละมันเป็นตัวฤทธเดชของกิเลส ท, ที่อยู่ในใจของเรามันแสดงออกมาอยากนุ้นอยากนุ้นอยากนุ้นอยากนุ่นอยากไม่มีขอบเขตอยากไม่มีประมาณท่านจึงว่ามากกว่าน้ํำในมหาสมุทรนติตันหาสมานาที เราดูความอยากมันนึกมันคิดแต่ละขณะของจิตของเราเนี่ยแป๊บพอมาความอยากแป๊บพอมาความอยากแป๊บพอมาความอยากดูเราดูฤทธเดชของมันเวลามันเกิดเต็มที่เราเราพยายามย้อนหลังไปดูมันย้อนนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปในระหว่างที่เราย้อนเรามีสติมีสัมผชสัญญาย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปมันก็จะเริ่มดับดับดับดับดับดับดับดับคือเริ่มสงบเริ่มระงับไประงับรับระงับแล้วก็จบ แล้วก็หมดในขณะที่มันปุ๊บปับขึ้นมาเราจับปุ๊บได้ทันทีอยู่หมัดเลยอยู่หมัดเลยสงบนิ่งห้วไปช่วระยะเวลามากน้อยตามตามแต่กำลังช่วงนั้นที่เราจะทำได้เราจับแบบนี้เรียกว่าเราจับตัณหาได้เราดับแบบนี้เราเรียกว่าเราดับตัณหาได้ เราเห็นความเกิดดับแบบนี้เราเรียกว่าเราเห็นตัญหาเกิดดับได้แต่ถ้าหากเราเห็นความเกิดดับตามหลักธรรมชาติอย่างอื่นอันนั้นมันเป็นการขูดเป็นมันเป็นการขัดมันเป็นการขุดรากขุดเงาขุดต้นขุดต่ อ, อเหมือนอย่างความอยากที่มันแสดงออกมาทางจิตของเราไม่ได้เนื่องจากว่าเรามีความระมัด ร, ระวังพอวิสติ ดีพอมีสมรชัญญะดีพอมีสมาธิกำลัดจดจอมั่นคงพอมันมันปรุงออกมาไม่ได้ในเมื่อมันปรุงออกมาไม่ได้หมายความว่าตัวตันหาตัวใหม่มันเกิดไม่ได้แต่ตัวเก่ามันยังมีอยู่มันมีทั้งตันหาเก่ามีทั้งตันหาใหม่เพราะฉะนั้นมันจึงหมดไม่เปลี่ยนตันหาราคาในหัวใจของคนเรา ถ้าเราไม่ศึกษาถ้าเราไม่เอาออกมันจึงหมดไม่เป็นเพราะอันเก่ามันมีอยู่แล้วอันใหม่มันเกิดขึ้นมาอีกเรื่อยอันเก่ามันมีอยู่แล้วอันอันเก่ามันมีอยู่อันใหม่มันเกิดเพิ่มมาอีกเรื่อยในระหว่างที่เรามีสติกล้าปัญญาแข็งมีสมาธิที่มั่นคงก็หนดจดจ่อตันหาใหม่มันไม่เกิดแต่ตันหาเก่ามันมีอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจนั่นแหละเราพยายามขุดคุยไปที่ ปัญหาเก่าพิจารณาความหลงของกายพหลงในกายหลงในอารมณ์จิตของเรามันหลงกายตัวเองจิตของเรามันหลงอารมณ์ของตัวเองท่านจึงให้เอากายมาพิจารณาพิจารณานี่เป็นการขุดคุยขุดค้นขุดรือ้อขุดหาเพื่อให้เข้าใจให้เกิดความพให้เกิดความเข้าใจอีกหมายความว่าน้ําเก่าเราพยายามวิทย์ออก ในขณะที่เราพยายามขุดคุยขุดค้นนี่คือเราพยายามวิทน้ำเก่าออกในขณะเดียวกันน้ำใหม่เราปิดกั้นไว้แล้วตัญหาใหม่ไม่เกิดตัญหาเก่าเราพยายามวิตออกเรามาดูข้ออุปมาอุปมาข้อนี้มันหมดไปไหมน้ำสมมติว่าเรือจิตใจของเราเนี่ยเป็นเรือเป็นเรือที่เรานั่งข้ามฟากไป เรือมันรัว่วเรือมันรัว่วมีรูรั่วทะลุน้ําเก่าเข้าไปน้ําเก่ามีขังอยู่ในนั้นน้ําใหม่ก็ไหลทะลักเข้าไปเรื่อยอา้าวแก้ไขอุดอุดรูที่มันไหลเข้ามาเนี่ยอุดน้ําเก่ามีเอาฟิตออกวิตออกวิตออ ก, ออกเราดูข้อประมาณนี้แล้วเราดูมาที่ข้อปฏิบัติของเราเนีครูบาอาจารย์ท่านจึงให้ทำแบบนี้อันนี้มันเข้าในหลักมา สัมปมปทานนะไปดูในหลักหลักสัมมปทานสี่นั่นแหะประทานคือความเพียรสี่อย่างนะสัมมปทานสังวรประทานประหานประทานอ่าภาวนาประทานอนุรักษนาประทานไปดูดิสังวรประทานประหานประทานสังวรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานประหารประทานละบาปเก่าที่เกิดขึ้นมีขึ้นแล้วอื เราจะเที่ยวกัเมือนกับน้ําเก่าน้ําใหม่ในเรือนั่นแหละเรือรั่วเรือทะลุน้ําใหม่ก็เข้าไปน้ําเก่ามีอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปไม่ถึงไหนเรือพาจมแล้วเราไปไม่ไม่ได้หน้าได้หลังก้าวไม่ก้าวหน้าไม่ไปหน้ามาหลังก็เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องราวนี้น้ําใหม่เราก็ไม่ยอมขั้นน้ําเก่าเราก็ไม่ยอมวิทยออกมันก็บวกเพิ่มบวกเพิ่มบวกเพิ่มมันก็หนักเข้าไปเรื่อยหนักเข้าไปเรื่อย เพราะฉะนั้นการมาสุขคลิการโยคคือการหมอกมุ่นอยู่ในกามมันเหมือนกับการเจาะรูให้มันหลายรูเข้าเข้าไปอีกให้น้ําอาสวะทั้งหลายมันทะลักลงไปอีกมันยิ่งทับท่วมมากไปกว่าเดิมอีกพุทธเจ้าท่านจึงว่ามันไม่ใช่ทางการมาสุคาลิการโยคมันจึงไม่ใช่ทางคิดนึกเรื่องกามมากน้อยเท่าไหร่เมือ่อเรายิ่งไปเจาะรูเรือ ทะลุหลายรูไปเท่านั้นน้ำมันก็ยิ่งไหลทะลักเข้าไปมากเท่านั้นเอาการไปบวกกามอย่าคิดว่ากามมันจะทับถมกันตายนะไม่มีอ่ะอ่าถ้าเราจะเทียบกับเมือกันน้ำนะหนึ่งหยดสองหยดห้ายหยดสิบหยดก็กลายเป็นหยดใหญ่หยดหนักๆเข้าอืมันทับมันท่วมเป็นน้ำเป็นน้ำหนองเป็นน้ำบึงเป็นน้ามหาสมุทรเป็นน้าทะเลทับท่วมเรานะ น้ำอาสวะในหัวใจของเราจะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ท้าทายกับกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจท่านจึงให้พยายามสังวรระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นในหัวใจสังวนไม่ห้อันใหม่เกิดขึ้นอันเก่าที่มีอยู่แล้วพยายามพิจารณาพยายามขุดพยายามคน้นพยายามขุดพยายามคุยเข้าไปเพื่อรือเพื่อถอนถอนรากถอนเหง้าถอนโขนออกมา ที่เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเรื่องรูปธรรมเรื่องนามธรรมาเราหลงรูปธรรมของเราเองจิตของเราหลงรูปธรรมของเราของเราเองหลงร่างกายแล้วก็มันหลงอารมณ์เขามันเองหลงอารมณ์ของมันก็มันเองก็คือจิตมันหลงจิตนะผู้รู้มันหลงอารมณ์อผู้รู้มันหลงอารมณ์อารมณ์ กิริยาอาการของผู้รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอาการของผู้รู้มีอาการอย่างหนึ่งคือเวทนาอาการอย่างหนึ่งคือสัญญาอาการอย่างหนึ่งคือสังขานึกเรื่องดีนึกเรื่องชั่วไม่นึกไม่ดีเรื่องชั่วเละสงบนิ่งอยู่เข้าอยู่ในฌานท่านก็ยังเรียกว่าสังขานอยู่เสร็จแล้วก็รู้ยับยับยบยบยยทุกระยะทุกเวลา จับตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยยังเป็นกิริยาการของผู้รู้ทั้งนั้นแหละท่านท่านจึงไม่พิจารณาเรื่องรูปพิจารณาเวทนาพิจารณาสัญญาพิจารณาสังขาพรพิจารณาปิญญารวมไปแล้วพิจารณาขันธ์ทั้งห้าเพราะเดี๋ยวนี้เราหลงขันธ์ทั้งห้าเราปฏิบัติธรรมเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้รู้เท่าทันความเป็นไปของขันธ์ห้าเพื่อปล่อยเพื่อละเพื่อวางขันธ์ห้า เพราะขันห้าเป็นยอดของความทุกข์นะปัญจุ ป, ปาทานักขันธาทุกขานะทุกรอบยอดคือการยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งหนะ้าปัญจุ ป, ปาทานักขันธาทุกขานะทุกรอบยอดเลยเลยอันนี้รอบยอดคือยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานในขันทั้งหนะ้าไอ้โสกะปริเทวะทุกข์ดีใจเสียใจด่ากันนะ ผิดหวังอะไรสารพัดอันนี้ยังเป็นปลายเหตุปลายเหตุอยู่นู้ยเป็นเอ่อเป็นขี้ฝุ่นเป็นละอองอยู่ข้างบนอ่ะมันยังไม่ได้เป็นก้อนเป็นแท่งเป็นเงาเป็นอะไรซึ่งเป็นก้อนใหญ่ก้อนตัวอะไรอ่าเป็นปลายเหตุเป็นปลายสายกระเซ็นกระสานสั้นเส็นอยู่ข้างนอกเดี๋ยวตัวที่เป็นเกล็ดแท้ๆจริงก็คือนี่แหละขันทั้งห้านี่แหละ อุปาทานยึดมั่นถือมันในขันห้าทั้งมเราจะละเราจะวางขันห้าได้ถ้าเราไม่ตั้งใจบําเพ็ญสมถะวิปัสสนาสมถะคือน้อมจิตไม้สงบน้อมจิตไม้สงบบริกรรมพุทโทธพุทโทธพุทโทธให้จิตได้รับความสงบฟองหน่อฟองหน่อยุบหน่อ ย, ย, หอยให้จิตสงบไม่ใช่ฟองหนอยุบหน่ อ, นอแล้วก็เป็นวิปัสสนาเลยนะยังยังไม่ใช่ถ้าจะว่าก็ใช่อยู่ แต่มันมันต้องได้รับความสงบซะก่อนมันไม่ใช่ก็เหมือนอย่างเราพิจารณาธรรมดาธรรมดานี่เราภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวก็ให้จิตได้รับความสงบเมื่อจิตสงบเรื่อยสงบสงบลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยจนทิ้งคำบริกรรมนี่หมายว่ามันละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยทิ้งคำบริกรรมจากนั้นแล้วเมื่อจิตขยับออกมาท่านจึงให้พิจารณา รูปท่าสังขารร่างกายของตัวเองนี่แหละการตั้งใจพิจารณากิริยาอาการของกายแบบนี้ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าเจริญปัญญาเจริญปัญญาหรือไม่ก็เจริญสติหรือไม่ก็เจริญปัญญาไอสติกับปัญญาเนี่ยเราแยกกันไม่ออกหรอกปัญญาเกิดขึ้นจากสติถ้าไม่มีสติเป็นอุปการะปัญญาก็ไม่เกิดปัญญาก็คือความรู้ความรอบรู้ ปัญญาแปลว่ารู้รอบปัญญ า, ปญญาแปลว่าความรู้สติละเอียดเข้าไปอีกแยกเข้าไปอีกสติก็คือความระลึกได้ระลึกรู้ระลึกรู้ด้วยกิริยาอาการทุกขณะทุกกิริยาทุกอาการเป็นสติระลึกรู้โโรอยู่ในขณะนั้นตอนนั้นนี่คือสติสติดีสมาธิก็ดีสติดีปัญญาก็ดีสติ บวกกับสมาธิมันก็เป็นฐานให้กับปัญญามีสัมผชัญญะเพิ่มเข้าไปอีกสัมผััญญะก็คือกิริยาอย่างหนึ่งคือความรู้รู้ตัวรู้ตัวว่ากำลังนั่งรู้ตัวว่ากําลังภาวนารู้ตัวว่าผิดว่าชอบว่าชั่วว่าดีไม่ใช่รู้เฉยๆนะรู้ว่าเป็นธรรมด้วยรู้ว่าเป็นกิเลสด้วยรู้ว่าเป็นธรรมด้วยรู้ว่าว่าเป็นกิเลสก็สามารถจะละได้ ถ้าเพียงแต่รู้เฉยๆไม่รู้ว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นหรือเป็นกิเลสก็มิเตเสริมเข้าไปทับุทับือตัวตัวสัมปชัญญะี่คือความรู้ตัวกิริยาอาการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ช่วยเสริมให้เกิดปัญญาสติดีสัมปชัญญะดีทําให้มีสมาธิดีสติดีสัมปชัญญะดีสมาธิดีเป็นบึ้พื้นเป็นบาตเป็นฐาน ทำให้เกิดปั ญ, ญญาได้ดีปัญญาไปเจริญไปเรื новый, DANIEL, ่อยเจริญไปเรื Hammer, ่อยคาดไปเรื่อยเดาไปเรื่อยคาดไปเรื่อยเดาไปเรื่อยหมายไปเรื่อยหมายไปเรื่อยจนเกิดปัญญาญาณเมื่อเกิดปัญญาญาณในขณะที่เราคาดเราดาวเราจะเรียกว่าวิปัสนาก็ได้เพราะวิปัสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งการพิจารณาด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่นแหละทำให้เรารู้แจ้งเพราะเรารู้แจ้ง รู้แจ้มากๆจนกลายเป็นญาณที่เขาเรียกว่าปัญญาญาณหรือเ้าเรียกว่าวิปัสสนาก็วิปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นนอกเหนือจากการคาดการเดาการหมายในใจของเราเองนี่คือการที่เราตั้งใจภาวนาให้จิตได้รับความสงบแต่ปัญหาเราก็มาติดอยู่แค่ความสงบนี่แหละไปไม่ถึงไหนกันแหละขี้เกียจบ้างคี่คลานบ้างนึกว้าวุ่นคุณมัวกับอารมณ์สรพัด ไม่มีสาระแกนสารอะไรใกับตัวเองให้ความสําคัญพปายไ ป, ปยจิตปล่อยใจล่องลอยไปสิ่งเหล่านี้ตั้งหากมันกีดขวางหนทางของเราทําให้เราไปไม่ถึงไหนมาติดกันอยู่นี่แหละติดอยู่เนี่ไปไม่ถึงไหนกันก็ติดกันอยู่นี่แหละถ้าเราไม่พยายามขุดคุยขุดค้นอ่าให้แน่ให้ให้เป็นที่ สมภาคสมภูมิสมความมุ่งมั่นตั้ง อ, อกตั้งใจของเราอย่างแท้จริงอย่างต่อเนื่องแล้วนี่โอกาสที่จะข้ามตรงนี้ไปยากยากไม่ใช่คุไม่ใช่พูดพูดคุยโอยหลุดไปแล้วพ้นไปแล้วโอ้พูดคุยคุยโอ้หลุดไปแล้วพ้นไปแล้ ว, ล ว, ลวดูให้ดีดูให้เข้าใจคนที่มีบุญบารมีถึงขั้นนั้นก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มี ในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่เช่นอย่างพระพายะอย่างนี้มีอยู่ฟังธรรมยังไม่จบหนึ่งคาถาแต่ด้วยเหตุที่พบเบื้องหลังที่ท่านจะม า, าบัดเนี่ยท่านบำเพ็ญเอาเป็นอาตายจนตายทั้งทั้งที่ความเพียรเต็มแปรอย่างนั้นนะคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดจะติดอยู่แล้วเนี่ยในที่สุดก็ ชีวิตติณสีเขามาตัดรอนซะ ก, ก่อนแทนที่ท่านจะได้อัดได้ทำทั้งนั้นไม่ได้พราะหลังจากท่านได้มาบัตในอัฐภาพที่เป็นพระาพาหิยะเนี่ยด้วยเรี่ยวแรงที่ท่านบําเพ็ญเพียรมาเต็มเปี่ยมอยู่แล้วเนี่ยเหมือนก็มีทุลีละอองในตาแป๊บเดียวเพียงแต่มีผู้มีปัญญามาเขีย่ยให้เท่านั้นเองตาของท่านก็ใยสว่างโล่ไว้ให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเธอจงเห็นสักแค่ว่าเห็น ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นสักจธว่าได้กลิ่นได้รสสัจธรรมได้รสสัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสพระปัญญาทำจิตได้ตามนั้นเลยจิตมันก็ว่างมันก็ปล่อยมันก็วางมันก็เฉยเฉยโอ้การวางจิตอยู่ตรงนี้เป็นการถูกต้องเป็นการเหมาะอไม่ให้ยินดีอ้าวไม่ให้ยินร้ายเห็นสักแต่ว่าเห็นก็คือไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายดูยังไงไม่ยินดีไม่ยินร้าย ถ้าไม่ดูด้วยสติดูดูด้วยปัญญาด้วยเหตุที่บา ร, รมีเต็มเปี่ยมแล้วถ้าก็บรรลุปึ้งปึ้งปึ้ ง, งจบยังไม่ถึงหนึ่งคาถาได้เป็นพระอรหันต์ไปบวชยังไม่ได้หาเครื่องบวชยังไม่มีอันในสงฆ์ไม่เคยถวายผ้าถวายบาตรไม่มีบริขารที่จะบวชไปเคี่ยวตามกองขยนันเจ้ากรรมวัวมาชนตายวัวถูก ยักษณีสิงค์เคยเป็นเวรเป็นกรรมกันไม่ชนท่านก็ตายแต่ท่านก็เรียกว่าท่านเป็นพระภาหิยะยังไม่ได้บวชแต่ใจบวชซะก่อนแล้วหมดกิเลสหมดตัณหาซะก่อนแล้วคนทุกข์ทนโทษคนราคะคนตัณหาคนโลกคนวัฏสงสารไปหมดแล้วไม่ต้องมาแบบทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วผูรูของท่านบริสุทธิ์หมดจดสว่างสไยอยู่ในโลกนี่แหละ ท่านไม่ไปไหนไม่ทิ้งเราไปไหนแหละพุทธเจ้าก็ทำประสงค์ไม่ทิ้งเราไปไหนอยู่ด้วยกันกับเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเรากราบระลึกบุญระลึกขุนของท่านพุทธังสรนังขจามิตัมบ า, างสรนังขจามิสังขังสรนังขจามิจึงเกิดก้องอยู่ในหัวใจของพวกเราเอฟังไปแล้วพวกเราก็มาติดกันอยู่ตรงไหนก็นมาติดอยู่ที่ อย่าบังคับบัญชาตัวเองให้ตั้ง อ, อกตั้งใจดำเนินเจริญรอยตามหนทางตามปฏิปทาที่ท่านบอกไว้ท่านสอนไว้นั่นเองอมาจับที่อะไรแล้วไม่จับที่ทําใจสงบนั่นแหละในขณนะเดียวกันก็ศึกษาเรื่องกิเลสเข้าไปในขณะเดียวกันสังวรประทานปิดกั้นความอยากตัณหาไม่ให้มันมาแทรกใจของเราได้อผานประทาน อค้นคว้าดูร่างกายเราพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาเป็นทา่าเป็นขันพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พหิจารณาเห็นเป็นกองสังขารพิจารณาเห็นเป็นกองสังขารดูตัวของเราทั้งก้อนทั้งรุ่นนี่นี่เป็นกองสังขารกองหนึ่งกองสังขารกองนี้จะไม่คงที่ กองสังขารกองนี้โผล่มาอย่างไหนโผล่มาจากท้องแม่เกิดในท้องแม่ปุ๊บปั๊บโตทันทีไหมไม่ไมอเป็นหยดน้ําเล็กๆนั่นอาศัยสังขารพ่อสังขารแม่ประกอบกันเมื่อประกอบกันแล้วก็ไม่เคยหยุดอยูย่กับที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทํางานยืดยาวมากมายไม่เคยหยุดไม่เคยยั้งเลยก็คือกองสังขารข อ, ของเรา เราจะไปคิดว่าหัวใจของเราทุกๆคนมีหัวใจหัวใจสูบฉีดมาตลอดชีวิตของเราหัวใจทำงานไม่หยุดไม่หย่อนสิ่งที่ทำงานมากกว่านั้นในในตัวเราในหัวใจของเราเนี่ยคือกองสังขารของเราไม่ว่าจะเป็นรูปสังขารไม่ว่าจะเป็นนามสังขารทำงานยืดยาวตลอดไม่เคยหยุดไม่เคยพักแม้แต่ขณะเดียวเห็นไหมมันเลยหัวใจ สู่ฉีดของหัวใจไปแล้วหัวใจของเราก็ทํางานเป็นการเป็นคราวตอนมันโตแล้วเนะ่ยเกิดในท้องแม่แป๊บเดียวก็ยังไม่มีอะไรหยดน้ําใสๆโตมาเป็นเหลืองเหืองแดงแดงโตมาแข็งแข็งอ่าเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นปัญจะสาขา 7, 8, 9, 9, 10, 10เจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนก็ออกมามีหูมีตามีมอวัยวะมีหัวใจหัวใจจึงค่อยมาสูบม่ฉีดทํางานตามหลัง ตอนที่เขาเจริญเติบโตอยู่ในนั้นน่ะกําลังจะเริ่มก่อร่างสร้างตนสร้างตัวอะไรเป็นตัวสูบเป็นตัวฉีดสังขารแม่เห็นไหมท่อเลี้ยงท่อลําเลียงอาหารมาจากแม่นั่นแ่ะอาหารเข้าไปสร้างรกสร้างรากนั่นน่ะคือสังขารระดูที่สังขารมันเกิดสังขารมันเกิดในท้องแม่ทํางานยืดยาวมาไม่เคยจบไม่เคยมีจุดจบไม่เคยมีวันหยุดไม่เคยมีเวลาหยุด สังขารเมื่อเขาประกอบกันแล้วเนี่ยเขาทำงานไม่มีเวลาหยุดนั่งพิจารณาสังขารของตัวเราเองเนี่ยสังขารเป็นก้อนเป็นแท่งนั่งอยู่ด้วยกั น, นเนี่ยเนี่ยสังขารกองนี้ไม่เคยหยุดอยู่กับที่ดูย้อนหลังไปให้อยู่ในถึงในท้องแม่นั่นแล้วก็ย้อนหลังมาหลังมามาจนถึงนั่งต้องมองเต็งแมงอยู่เดียวเนี่แล้วก็ย้อนไปข้างหน้าอีกโอ้จากนี้ไปข้างหน้าอีกมันจะ โค้งขึ้นมาแล้วต่อไปมันจะโค้งกลมลงไปเหมือนอะไรเหมือนสะพานโค้งโค้งอะสะพานโค้งอายุไขสังขาร น, นี้มันเจริขึ้นมาอย่างมีอายุไข่ห้าสิบปีหกสิบปีถ้าจะว่าอายุร้อยสิบปีนี่หกสิบปีมันก็ถือว่าเป็นโค้งสูงสุดแล้วจานั้นมันจะเริ่มก้มก้มกลมอันนี้เราคาดเราเดาเอา แต่เราจะมีใครถึงเนี่ยอายุสามสิบปีแล้วก็เริ่มเริ่มโค้งลงแล้วล่ะอายุหกสิบหกสิบกว่าหรือยังมากล่ะอายุอายุสี่สิบปีอ่ะสี่สิบปีก็เริ่มโค้งลงมาเริ่มแก่ลงแก่ลงแปดสิบปีก็คือตายสังขารเนี่ยมันเสื่อมมันเจริญขึ้นแล้วมันก็เสื่อมมันก็เสื่อมลงภาษาธรรมะทำเรียกว่าแก่คําว่าแก่ก็คือ เจริญขึ้นมาเรื่อยเจริญขึ ah, <b> ้นมาเรื <eren> say, ่อยเจริญขึ then, ้นมาเรื่อยเจริญขึ้นมาเรื่อยพอมาถึงอายุไขที่มันเริ่มแก่ลงท่านก็ว่าแก่ตอนมันเจริญขึ้นมาจนถึงสมมุติอายุแปดสิบปีเจริญขึ้นมาจนถึงสี่สิปีท่านก็เรียกว่าแก่มันแก่มาเรื่อยแก่มาเรื่อยแก่มาเรื่อยหลังจากสี่สิบปีไปจนถึงแปดิปีท่านก็เรียกว่าแก่แก่แล้วก็ตายเจ็บก็ตายไม่เจ็บก็ตายแก่เต็มที่เจ็บก็ตายไม่เจ็บก็ตายอืม หายใจเข้าหายใจออกหยุดหายใจก็ตายสังขารมันก็มีอยู่แค่นี้ตายแล้วมันไม่ไปไหนมันก็ไม่หยุดทำงานของมันนะรูปธรรมมันก็ทำงานของมันไม่เชื่อเราลองเอาไปห้อยดูเอาไปกองทิ้งดูในป่าช้าผีดิบสมัยโบราณป่าช้าผีดิบเอาไปทิ้งไว้ต่างกลับตากแดดตากฝนอ่าโดยที่ไม่เผาไม่ฝังเราไปตากไว้ดู อชัอ่วโมงหกชั่วโมงครึ่งวันหนึ่งวันถ้าไปตากแดดตากฝนด้วยแล้วก็ขึ้นอืดขึ้นอืดขึ้นพองแล้วก็เปื่อยแล้วก็เน่ากลิ่นก็เปลี่ยนไปสีก็เปลี่ยนไปอ่ารูปร่างสันฐานก็เปลี่ยนไปสีก็เปลี่ยนไปวิญญาณทุกส่วนก็เปลี่ยนไปคือสังขารเขาไม่หยุดเขาไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่มันก็จะทํางานอยู่อย่างนั้นของมัน ตามภาวะแวดล้อมของมันมันจะขึ้นอืดขึ้นเปือ่อยเพราะอะไรเพราะดินก็จะเริ่มแตกสลายไปเป็นดินน้ําก็จะเริ่มเหือดแห้งไปเป็นน้ําลมก็กลายไปเป็นลมไฟก็หมดไปแล้วอ่าไฟก็หมดไปแล้วดินน้ําลมไฟนี่คือธาตุเราดูที่สังขารมันหยุดอยู่กับที่มไหมไม่หยุดอยู่กับที่เมื่อมันเน่ามันเปือ่อยมันยุ่ยสลายไปหมดเนี้ยเหลือแต่อะไรเหลือแต่กระดูกเพราะกระดูกมันแข็งมันย่อยยาก มันย่อยยากมันเปื่อยยากะในระหว่างที่เขาย่อยเขาเปื่อยเขาสลายเน่าไปเห็นไหมเหม็นท่วมเหม็นจดพรหมโลกนั่นแ่ะเหม็นเหม็นคนเหม็นซากคนอยิ่งกว่าซากอะไรต่างๆอย่างอื่นไอ้แค่เราหมาเน่าหมาอะไรอยู่ข้างถนนเนี่ยเหม็นคนเหม็นหนักกว่านั้นอีกเพราะคนมันดีมันกินดีมันอยู่ดีมันก็เหม็นมากออ่าีกคนดูที่ มันมีอะไรคงที่เหลือก็ดูกระดูเกาะกันเป็นก้อนเป็นแท่งเกาะกันเป็นรูปเป็นร่างนัาคเข้าก็เริ่มหลุดหัวหลุดไปแขนก็หลุดไปนิ้วมือนิ้วตีนหลุดไปอ่านาแข้งหลุดไปนิ้วตีนหลุดไปอะไรหลุดไปหลุดไปหลุดไปเปื่อยลงเปื่อยลงเปื่อยอะไรที่เคยแข็งแขงก็ชักเริ่มคุยๆอ่าวันคืนลงไปคุยๆคุยๆเป็นแป้งก็เริ่มเปื่อยลงเปื่อยลงจากแข็งแขงก็เริ่มเป็นผง เปื่อยย่อยสลายไปกับดินนั่นคือสังขารไม่มีหยุดหย่อนทำอยู่อย่างนั้นไปตลอดที่ผู้นี้เราอยาให้เข้าใจคำว่าสังขารสังขารคือสิง่งคือสิ่งปรุงแต่งสังขารก็จะมีหน้าที่อยู่อย่างนี้แหละทนอยู่ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนไปพุทธเจ้าท่านจิงทรงตรัสว่าทุกขงังทุกขงังเพราะมันทนอยู่กับที่ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นอนิจจัง ทั้งทุกขงังทั้งอนิจจังเนี่ยไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้ให้เที่ยงนะให้อยู่อย่างนี้นะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้พิจารณาง่ายๆอย่างนี้ให้เป็นกรุยหมายป้ายทางเพื่อที่เราจะได้มาย่อยมาสลาย จากสิ่งที่เป็นค่อนเป็นแท่งในหัวใจของเราที่เรายึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยอุปาทานเส็จแล้วก็มาบแบกกองทุกกองโทษกองาธาตุกองขันของเราเนี่ยทาให้เรามีความทุกข์อยู่ในวัฏสงสารนั้นไม่หยุดไม่หย่อนไม่จบนะถ้าเราไม่เอาธรรมะของพระเจ้ามาปฏิบัติแนละ้วก็ไม่จบวัฏสงสารนี้เราจะไปไม่รอดเลยเราจะหลุดเราจะหลุดไปจากกระแสะวนเวียนของวัฏสงสารจะหลุดไปไม่ได้มันจะมีแรงดึงหลุด อยู่ในกระแสวัฏสงสารนี่แหละยังไม่จบไม่สิน้นสิ่งที่เป็นพลังช่วยเราดึงดูดเราในวัฏสงสารคือกิเลสนี่แหละเจ้าตัวพยามานตัวใหญ่นี่แหละเจ้าตัวความอยากนี่แหละความอยากมันมีที่อยู่อยู่นะอยู่ที่ไหนความอยากมันมีที่อยู่มันอยู่ที่ใจใจคือผู้รู้เรามีใจด้วยกันทุกคนเรามีผู้รู้ด้วยกันทุกคนนั่นแหละคือที่อยู่ของความอยากนะที่อยู่ของใจ ใจคือธาตุรู้คือผู้รู้แท้จริงคือผู้รู้ของเราไม่ฉลาดไม่บริสุทธิ์เราพยายามพิจารณาเพื่อเป็นการชะเป็นการล้างเป็นการขัดเป็นการเกลาจิตใจของตัวเองให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ประจากขันทั้งห้าไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณพิจารณาละพิจารณาปอก บอกปอกบอกปอกบอกออกปอกปอกปอกรูปออกปอกเวทนาออกปอกสัญญาออกบอกสังขารออกบอกวิญญาต์บอกจนหมดเพราะสิ่งเหล่านี้กิเลสพายึดพาถือความยึดความถือก็คือความไม่รู้ไม่เข้าใจที่ท่านเรียกว่าโมหะโมหะอวิชชามันปิดมันเป็นมันเป็นฝ้าปิดบังดวงปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาฝึกมามาฝนให้เกิดปัญญา เอาขันทั้งห้าเนี่ยเป็นหินรับปัญญาลงตานวาน่าเอาขันทั้งห้าเนี่ยเป็นหินรับให้เกิดปัญญาละรับยังไงรับก็บพิจารณานั่นแหละพิจรารณาลูกนั่นแหละพิจารณาเวทนาสัญญาสังขันญ า, ญญาพิจรารณารับจนเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความคมอคําว่าคมก็คือความเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเนื่องจากว่าเราทํางานนี่จนชำนิชนํานาญจนคล่องแคล่ว จนช่ำชองแล้วเราจะเกิดความรู้สึกตัวเออเออใช่ไม่ใช่เราโอ้ไม่ใช่ของของเราโอ้ยึดไม่ได้โอ้ถือมั่นไม่ได้โอ้ไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราผู้รู้ก็สักแตรร่วรู้รู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางนะมีความรู้มียานมียาณทสันนอตเกิดความรู uh, ้เกิดความเข้าใจมีความรู้ มีความเข้าใจมีความเบื่อหน่ายคลายจาเกิดยาณทัศนะเห็นเจมแจ้งอ่าแล้วก็ตัดความผูกพันสายใยแห่งความรุ่มหลงอันนี้ออกจากหวัวใจได้แล้วก็พ้นทุกพ้นโทษพนทษ้พนเวนพ้นภัยไปได้นี่เป็นหนทางที่เราตั้งใจจะเอามันละเอียดไหมมันยาบไหมมันละเอียดมากกับการที่เราถือของห ย, ยาบหยาบถือประพฤติแบบห ย, ยาบยายังถือไม่ได้ ยังปฏิบัติไม่ได้ที่เราจะเข้าให้ถึงของละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอีกเราจะเข้าไปถึงได้ยังไงเราจะเห็นว่าหนทางที่เราเดินยังอีกยาวไกลข้อปฏิบัติที่เราพยายามชะล้าให้เข้าถึงความละเอียดเนี่ยยังอีกหลายชั้นหลายขั้นหลายกระถงที่เราพยายามตั้งใจจะฝึกปรืออบรมตัวเองให้ได้ให้ให้ได้ใ ห, ใ, ห ใ, หไดให้ถึงนี่ ยังอีกยาวเพราะฉะนั้นถ้าหากยาวเรายังใช้ความประมาทมัวเมาอยู่เราก็ไปไม่ถึงไหนกันแหละยังใช้ความประมาทมัวเมาอยู่เราก็ไปกันไม่ถึงไหนต้องคิดถึงเรื่องเหล่านี้ให้มากอย่าเพลิดเพลินในโลกในวัฏฏะสงสารกันให้มากสิ่งเหล่านี้แหละเป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องดึงดูดเป็นเครื่องหยุดยัง้งไม่ให้เร า, เาระลึกน้อมนึกนำ อัดนำทมเหล่านี้มาพิจารณามาเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจของตัวเองให้ตื่นเนื้อตื่นตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาในขณะเดียวกันเราก็จมไปกับสิ่งนั้นจมไปกับสิ่งนี้หลงไปกับสิ่งนั้นหลงไปสิ่งนี้เพลินไปกับสิ่งนั้นเพลินไปกับสิ่งนี้อเราก็ร้องอยู่เมื่อไรเราจะพ้นทุกเมื่อไร่เราจะพ้นทุก์ร้องอยู่ไครครวนอยู่บนเส้นทางบนข้อปฏิบัติบนปฏิปทาอันนี้ก็เป็นความไม่ประมาท เป็นเหตุกระตุ้นเตือนให้เราไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจเพราะฉะนั้นก็ เ, เป็นการอากระตุ้นเตือนให้พวกเราทั้งหลายไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจอเราได้รับความสุขได้รับความแช่มชื่นจากการที่กิเลมันป้อนให้เล็กๆน้อยๆนั่นมันเป็นเหยือ่อมันเป็นเหยื่อที่มันมาล่อเรามันเป็นเหยื่อที่มันล่อเรา ให้เราติดให้เราค้างอยู่ในโลกมันลอยให้ติดสิ่งนั้นบ้างกปชุ่มไปช่วยกระสิ่งนั้นบ้างกปชุ่มไปช่วยกระสิ่งเรานั่งบ้างแต่ในขณะเดียวกันเราไม่มีปัญญาพิจารณาตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจมันทําให้เราหลงหลงติดอยู่กับเหยือ่อเราดูความเป็นอยู่ของเราทุก ว, วันนี้เราติดเหยื่อมันหรือเราเป็นอยู่อย่างเป็นไปตามความเป็นธรรมในหัวใจของเราเราพิจารณาใครครวรดู โอกาสที่เราจะมากะเกณฑ์คาดเดาว่าการปฏิบัติของเราอยู่อย่างนี้ไปถึงไหนได้รับผลได้รับอานิสงส์ได้รับความสุขได้รับความสงบได้รับความชุ่มเย็นมากน้อยขนาดไหนแ ค, แค่ไหนเพียงไรให้เราวินิจฉัยใข้ครวนดูเพื่อเราจะได้ตั้ง อ, อกตั้งใจฝึกฝนอบรมให้สมกับที่เราทั้งหลายได้เสียสละได้ตั้ง อ, อกตั้งใจมาบําเพ็ญ เอาละพอสาควรแก่เวลาละพาทั้งวัดสวนมณน์ไม่มีไม่มีเวลาพานั่งมากแหละปวดหลังก็ยังไม่จบเนี่ยมันกำลังจะเริ่มเบาๆซะหน่อยเนี่ยพาทั้งวัดสวนมณ์เสร็จก็ไปภาวนาวของใครของเราก็แล้วกัน